เอกลักษณ์ว่าไงนะ ย, ยังแข็งเหมือนเหมือนเดิมครับจะไปอยากปฏิบัติคำว่าปฏิบัติหลอกหลอกเราถ้าลืมคําว่าปฏิบัตินะแล้วก็ทําตัวเป็นนักเรียนซะหมดเรื่องให้มาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเองไปเรื่อยๆถ้าเราปฏิบัติเราก็มุ่ง จะเอาดีเอาสุขเอาสงบอยากได้ดีอยากได้สุขอยากได้สงบนะดีได้ก็ยังชั่วได้สุขได้ก็ทุกได้สงบได้ก็ฟุง้งซ่านได้ดีถาวรสุขถาวรสงบถาวรไม่มีไม่มีในกายในใจนี้หรอกแต่มีอยู่นอกกายนอกใจนี้งั้นรู้ลงมาที่กายที่ใจนะดูไป ทำตัวเป็นนักเรียนไม่ใช่ น, นักปฏิบัติแต่ว่าการเรียนของเราไม่เหมือนเรียนวิชาอื่นๆวิชาอื่นมันเรียนออกข้างนอกนี่เราย้อนมาเรียนตัวเองเรียนเข้ามาในกายเรียนเข้ามาในใจนี่มาดูซ้าไปซ้ำมาแต่ไม่ได้จงใจนะเอกลักษณ์มันจงใจดูแช่ไม่ได้จะถามหลวงพ่อ น, นิดนึงครับ พอเมื่อ ว, วานพอเลิกเลิกเดินจงกรมอะครับเข้าไปที่กุฎแล้วเหมือนกับก็นั่งทานุนทํานี้นนไปเรื่อยๆอะครับแล้วมันพอไปคิดถึงเรื่องการปฏิบัติมันก็เหมือนกับว่าจิตมันก็ไปรู้ความเผลอได้เป็นระยะระยะคือก็อดีแล้วอย่างนี้เราทั้งวันนี้เวลาเดินจงกรมควรจะทำยังไงอะครับก็เดินรู้ว่าเผลอเป็นระยะระยะ ไม่ใช่เดินไม่ให้เผลอนะเดินเผลอเป็นระยะระยะแต่อย่าเผลอยาวอย่าเผลอนานแต่มีคําที่รีพอร์ตรายงานหลวงพ่อเมื่อกี้มีคําที่ผิดอยู่คำหนึ่งบอกว่าเดินจงกรมแล้วก็เลิกแล้วก็เลยเข้าไปในกุฏิ <c oughs> ทุกก้าวที่เดินต้องรู้สึกตัวการปฏิบัติไม่มีเลิกนะ <c oughs> ไม่ใช่เดินแล้วหมดเวลาแล้วตอนนี้เลิกแล้วเดินเข้ากุฏิแล้วไปนั่ง เว้นไม่ได้นะเว้นไม่ได้นิดหน่อยก็ไม่ได้ทำไมหลวงพ่อเข้มงวดหลวงพ่อไม่บังคับนะว่าต้องเดินกี่ชั่วโมงนั่งกี่ชั่วโมงวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ทุกก้าวที่เดินนะรู้สึกตัวตลอดเวลาที่นั่งรู้สึกตัวให้เยอะที่สุดไม่ใช่ห้ามเผลอหรอกเผลอได้แต่รู้สึกให้เยอะๆถ้าใจของเรายังคิดว่าชีวิตเรามีสองส่วนนะชีวิตนี้เป็นเวลาปฏิบัติ ชีวิตนี้ไม่ต้องปฏิบัติโอกาสที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานเร็วๆนี่ยากมากเป็นไปไม่ได้ถ้าเรารู้สึกว่าการปฏิบัติก็คือการเรียนรู้ชีวิตในขณะเนี้ยตอหน้าต่อตานะเรียนไปเรื่อยๆไม่มีเลิกหรอกทีละหลงผิดนะหลงผิดไม่เลิกนะหลงผิดตลอดเวลาไม่เป็นไรเวลารู้ถูกมีการเว้นวักไม่ได้นะ <c oughs> ใช่อาหมดเวลาแนละ้วเดินจงกรมมาครบหนึ่งชั่วโมงแล้ว เราไปนี้ไปเดินเล่นทุกก้าวที่เดินเรารู้สึกตัวนีสานอย่างหลวงพ่อดูผิวเผินนะเหมือนก็หมูมากเลยนะชิงโหดสุดๆเลยนะหดสุดๆเลยจิตเคยเยื่นไปไม่เห็นนั่นก็ใช้ไม่ได้แล้วไม่ต้องเดินให้สวยก็ได้สวนเราเดินขาก็กระเลกกระเพลกนะเราก็เดินอย่างกระเลกกระเก ใจลอยไปเราก็รู้ทันใจลอยไปอีกก็รู้อีกฝึกไปไม่ใช่ว่าความสำคัญอยู่ที่ท่าเดินหรืออยู่ที่อิริยาบถแต่อิริยาบถหนึ่งความสำคัญของการปฏิบัติจริงๆคือความมีสตินั่นเองรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจอย่าใจลอยอย่าเพ่งกายเพ่งใจถ้าไม่ผิดสองอันนี้ก็ถูกแล้วละ่ะไม่ต้องพยายามทำให้ถูกนะถ้าเมื่อไหร่ทำผิดแล้วรู้ทัน พอมันไม่ผิดมันก็ถูกเองแหละก่อนเคยมีแม่ทัพคนหนึ่งมาหาตอนอยู่เมืองการบอกว่าเวลาเราภาวนานะไม่ต้องไปสนใจที่ถูกหรอกให้รู้ตรงที่ผิดถ้าเมื่อไรไม่ผิดเมื่อนั้นถูกเองเหมือนเราจะยิงหัวใครสักคนผู้กัตทหารต้องพูดเรื่องยิงยิงหน่อยจะยิงหัวใครสักคนนะถ้ายิงไม่ผิดมันก็ถูกเองแหละ เอกลักษณ์ทำไรน้อมใจให้ซึมไม่น้อมใจให้ซึมนะไปอ่านวิถีสองนะวิถีสองรู้ที่ผิดนะ่ะรู้ไม่ใช่การน้อมพวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบัติชอบน้อมนะหลงพ่อทำหน้าให้ดูนะน้อม <laughs> จะเป็นจะตาย <laughs> ครึ่งคนครึ่งผี <laughs> อีกพวกหนึ่งก็ครึ่งคนครึ่งบ้า อะไรที่มันเกินธรรมดาชอบเกินธรรมดานะจิตใจที่วิเศษที่สุดดีที่สุดสำหรับการปฏิบัติคือจิตมนุษ่นี่แหละจิตธรรมดาของมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงใจของเราสูงอยู่แล้วอย่าทำให้ต่ำจะทำใจให้เป็นพระพรหมนะต่ำไปใจพระพรหมใจเสื่องซึมแหมน้อมให้ว่างให้นิ่งอย่างี้ หรือใจบ้าบุญใจเทวดาอย่ง ใ, ใจชั้นต่ํานะแล้ว <c oughs> ใจที่สูงที่สุดนะั้นชื่อใจของมนุษย์นี่แหละสูงที่สุดแล้ววิเศษที่สุดละเป็นสุขติของเทวดานะเทวดาเวลาจะตายพรกพวกจะเตือนอขอให้ได้ไปเกิดเป็นคนนะของเราพอพวกจะตายขอให้ไปเป็นเทวดานะมีของดีของวิเศษอยู่กับตัวนะไม่รู้ ตอนมีครูบาอาจารย์หลวงหลวงพ่อไม่เคยเจอท่านตอนเข้าวัดท่านยังอยู่นะแต่ท่านนอนอยู่แล้วนอนในห้องกระจกแล้วก็เลยไม่ได้ไปกราบท่านหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวไปพานาทางเชียงใหม่ท่านขี้โมโหท่านรู้สึกจิตของท่านที่มันดื้อเหลือเกินท่านด่ามันนั่งอยู่บนเขานะด่ามันใหญ่อใจดวงนี้ทําไมมันโ ง, ง่มันเลวมันยันงงี้ด่าใหญ่พอเช้าลงจากปูเขามาไปบิณฑบาตกับหลวงปู่ม่นหลวงปู่ ม, นม่นแก่แล้วอยู่เชียงเขา หลวงู่เขายังหนุ่มอยู่บนภูเขาลงมาหลวงปู่มั่นก็สั่งสอนเยปาดามันจิตของเรานี่แหละของดีของวิเศษนะของวิเศษประจําตัวเลยของวิเศษอันนี้พาเราเที่ยวไปในสังสารวัตได้ข้ามภพข้ามชาติได้พาเราไปลงนรกก็ได้ของอื่นพาเราไปไม่ได้อนี้พาเราไปได้เรื่อยๆพาเราไปสวรรค์ได้พาเราไปนิพพานก็ได้ อยู่ที่ใจของเราเนี่ยอบรมให้เข้ารู้ความจริงนะสังเกตไหมหลายคนสนใจประตูใจนีไปอยู่ที่ประตูแล้วรู้สึกไหมนะให้รู้ทันนะทันไปใจแอบไปคิดแล้วรู้ไหมูุชรัตให้รู้ไปนะคุณตรงใจลงผวางแวบไปเฉยๆนิดนึงนะรู้สึกเบอ3มอยากคิดมากลืมตัวเองไปแล้วขนานี้ ส3มสมัวสนใจหลวงพ่อลืมตัวเองนะเบอร์ห้าสิบหนีไปทำอะไรหลงไปนะเมื่อกี้นี่หลงไปเห็นไหมน่ากลัวนะน่ากลัวเวลาหลวงพ่อมองไปทางไหนคนทางนั้นตัวแข็งเลยนะยิ่งกว่าเมดูซ่าใช่ไหมใครสบตากับหลวงพ่อมักจะตัวแข็ง เปิ้นใจลอยเปิ้นใจลอยแวบอย่างนี้เองหมออย่าตั้งใจหมอตัวไราชาแข็งขึ้นมานะนะอย่าให้ใจอย่าอัดมันให้แข็งแข็งทำสบายสบายนะเบอร์ส4ใจลอยไปแล้วนะใจหนีไปใครมีเบอร์ก็จำเบอร์ไว้นะ <laughs> <laughs> บางทีหลวงพ่อบอกนะยังเที่ยวหันไปดูชาวบ้านก็มีนะ <laughs> เบอร์ก็ใช้ได้กับคนนั่งหน้าๆ น, นะข้างหลังก็ไม่เคยเห็นอกบังกันไปบังกันมาอา้าวหนุ่มเสื้อเหลืองใส่แว่นตาใจลอยไปรู้สึกไว้เบอร์62แอบไปคิดแล้ว เ, เบอร์62สิใจนี้ไปคิดให้รู้ทันมันเบอร์เสื้อแดงเนี่ยเบอร์อะไรไม่มีเนี่ยใจลอยไปแล้วนะ เ, เ, เบอร์ 79, เจ็ดสิบเบอร์50ทาําอะไรไปอีกแล้ว เบอร์ส1มริเ็ดพอสบตาหลวงพ่อเลยเกริงเลยเอ้าทางนี้ว่าไงเบอร์แปดสิบสี่สงกันบ้านเลยเย็บประคองอยู่คับหลวงพ่อเออตอบถูกใช้ได้ให้เรารู้เถอะว่าทำอะไรอยู่ถ้าไม่รู้ก็ใช้ไม่ได้ถ้าเรารู้ทันจิตใจที่มันทำงานนะมันจะมีสองอันนะอันหนึง่งจิตใจมันทำงานอันนี้ไม่มีปัญหาอะไร อันที่2เราเข้าไปทําอะไรกับจิตใจของเราเองอันนี้มีปัญหาถ้าจิตใจมันคิดนึกปรุงแต่งอะไรในเรื่องของมันไม่เป็นไรมันจะสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าทําของมันไปทั้งวันเลแต่ตรงที่เราพอใจเราไม่พอใจแล้วเราเข้าไปแทรกแซงตรงนี้ถึงจะมีปัญหาดังนั้นจิตปรุงแต่งไม่เป็นไรนะเราอย่าไปปรุงแต่งจิตถ้าเราพยายามปรุงแต่งจิตเมื่อไหร่เราจะลงผิดแล้วความทุกข์จะเกิดเมื่อ79 กำมาลายลงนะลวิศาดูนะมีฉันดูด้วย7จ็สิบ้ใช่ไหมนะจาเบอร์ไว้นะจําเบอร์ไว้ทำไมต้องติดเบอร์เพราะสภาวะธรรมเป็นของที่เกิดรวดเร็วมากเกิดระดับอย่างรวดเร็วนะกว่าหลวงพ่อจะอ d e n ิ i f y ตัวบุคคลได้เอ้าคุณเสื้อเหลืองผมยาวใส่แว่นมีตุ้มหูโน่นเปลี่ยนไปทั้งสิบครั้งแล้วนะไม่ทัน การที่มาเรียนที่นี่จุดที่1เลยสิ่งที่จะต้องเรียนอันแรกคือหัดรู้สภาวะในกายในใจของตัวเองให้ได้งั้นหลวงพ่อจะพาดูสภาวะเ no. นี่ยเบอร์เจมนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็ไปคิดตามนะไม่ได้ห้ามนะคิดได้ที่หลวงพ่อบอกเนี่ยไม่ได้ตําหนิแต่บอกเพื่อให้เรารู้ทันว่าจิตของเราแอบไปคิดแล้วเราจะหัดรู้ทันจิตตัวเอง งั้นมาเรียนที่หลวงพ่อเนี่ยเราจะหัดรู้ทันกายหัดรู้ทันจิตใจของตัวเองเียคุณโต้งนีไปคิดนะเบอร์79นี้ก็นักคิดอาชีพนะรู้สึกไหมแอบไปคิดเรื่อยๆเนี่ยพอเรารู้ทันว่าเราแอบไปคิดรู้สึกไหมใจเราตื่นขึ้นมาใจจะโปรล่งร่งเบานะตื่นขึ้นมาเลยตอนนี้ไม่ตื่นแล้วเห็นไหมหลงไปอีกแล่วให้รู้อย่างนี้นะรู้ไปรู้ไปเรื่อยๆใจเดี๋ยวก็หลงไปเดี๋ยวก็รู้สึก เดี๋ยวก็หลงไปเดี๋ยวก็รู้สึกแต่คนทั่วไปเนี่ยใจหลงไปแล้วหลงเลยหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับหลงตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยรู้สึกต้องมาฟังธรรมะนะฟังธรรมะในส่วนเราเห็นสภาวะทางจิตใจของเราจิตใจแอบไปทําอะไรเรารู้ทันเราจะตื่นขึ้นมาเราจะเกิดความรู้สึกตัวไม่79นี่ไปคิดแล้วทราบไหมไปคิดตามที่หลวงพ่อพูดนึกออกไหมจะให้รู้อย่างนี้แล้วใจจะตื่นรู้สึกไหมภาวะแห่งความตื่นเป็นอย่างนี้ ใจจะโปร่งโล่งเบาไม่มีอะไรเลยนะความทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้ในปัจจุบันความทุกข์ตั้งอยู่ได้ต้องใช้เวลานะต้องปรุงแต่งสร้างความทุกขขึ้นมาใช้เวลานิดหนึ่งปรุงความทุกขขึ้นมาถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันเนะี่ยความทุกข์ทางใจจะเกิดขึ้นไม่ได้ตอนนี้แอบไปคิดอีกแล้วเบอร์79็ดสิบเ้าร้ไเรียนกรรมฐานนะไม่ต้องฟังให้รู้เรื่อง มานั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ใช่เพื่อฟังให้รู้เรื่องนะธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวหลวงพ่อก็พูดธรรมะเฉพาะตัวของหลวงพ่อพวกเราต้องเรียนเพื่อหัดรู้สภาวะแล้วเราก็จะเห็นธรรมะเฉพาะตัวของเราเองอย่างจิตใจของเราเนี่ยเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็หนีไปดูเดี๋ยวก็หนีไปฟังนั่งฟังหลวงพ่อพูดเดี๋ยวก็ดูหน้าหลวงพ่อแวบหนึ่งนะเดี๋ยวก็คิดนะเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดสลับไปเรื่อยๆ สังเกตไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปเนี่ยเราหัดรู้กลไกรู้กระบวนการทำงานในจิตใจของเราไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราจะรู้เลยว่าคนอื่นสร้างปัญหาให้เราได้แต่เราสร้างทุกข์ให้ตัวเองเราสร้างความทุกข์ให้ตัวเองคนอื่นทําปัญหาขึ้นมาแต่เราสร้างความทุกข์ให้ตัวเองคนอื่นสร้างความทุกข์ให้เราไม่ได้นะสร้างได้แต่ปัญหาหัดดูใจของเราเรื่อยๆวันหนึ่งเราจะรู้เลย ต่อไปชีวิตมีปัญหาแต่ชีวิตไม่ทุกชีวิตกับปัญหาเป็นของคู่กันหมดปัญหานี้ก็มีปัญหานั้นจนวันตายนั่นแหละมีปัญหาเรื่อยไปปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพปัญหาการงานเงินทองอะไรเี้ยปัญหาลูกเมียมีปัญหาไปเรื่อยชีวิตกับปัญหาเนียไม่เคยขาดออกจากกัน หมดเรื่องหนึ่งก็มีอีกเรื่องหนึ่งตลอดชีวิตลองทบทวนดูในชีวิตเราตรงไหนที่เรารู้สึกมีความสุขที่สุดรู้สึกตรงที่รู้สึกสุขที่สุดนึกแทบไม่ออกเลยหรือนึกออกก็รู้สึกสั้นสั้นนะนอกนั้นมีแต่ปัญหาหมดเรื่องหนึ่งก็มีเรื่องหนึ่งหมดเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งถ้าเราหัดมารู้ทันใจของเราให้ชำนิชำนานนะชีวิตเราเผชิญปัญหาแต่ชีวิตเราจะไม่ทุกจะไม่ทุก ความทุกข์เป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นเองเมื่อไรเราเผลอไปเราขาดสติไปเราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดเราหลุดออกจากปัจจุบันเมื่อไรความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นเบอร์เจ็ดสิบหลุดจากปัจจุบันแล้วลืมตัวเองไปเบอร์ห้าสิบอย่เที่ยวไปหามานานันแล้วไปหามันนะธรรมะไม่ต้องค้นหาให้รู้ทันจิตใจที่ขยับขยื่อนเคลื่อนไหวรู้มันลงไปนะ คนเสื้อเหลืองๆแขนสั้นเนะืเบอร์อะไรสี่สิบอะไรอยู่เมื่อกี้นี้นึกออกไหมขี้หนีไปคิดพอเราไปคิดแล้วเราลืมตัวเองลืมกายลืมใจนึกออกไหมเราลืมกายลืมใจของตัวเองตอนนี้ไม่ได้หนีไปคิดแล้วเริ่มบังคับตัวเองแลอรู้สึกไหมไม่บังคับนะเรียนกรรมฐานไม่ได้เรียนบังคับตัวเองไม่ได้ฝึกไว้เก็บกด เราเรียนเพื่อจะรู้ตัวเองรู้กลไกรู้กระบวนการทำงานของจิตใจไม่ใช่เรียนเพื่อบังคับกายบังคับใจให้แข็งแข็งทื่อๆหนักๆแน่นๆเบอร์62ใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมตอนเก่านี่ใจลอยไปลืมตัวเองเนี่ยเบอร์62สสเสือน้อยเป็นไงสมการบ้านเสือน้อยเสือใหญ่ตื่นเต้นครับฮะยังตื่นเต้นอีกเหรอ ต้องไงกิเลสเกิดบ่อยไหมเสือน้อยบ่ครับเกิดวันหนึ่งกี่รอบได้นับไม่ได้นับไม่ได้หรือว่าไม่ได้นับไม่ได้ <c oughs> วันหนึ่งกิเลสเกิดเยอะเลยนะเกิดเยอะเลยค่ะวันหนึ่งถ้าคอยรู้เอานะไม่ต้องนับก็ได้แต่ว่า กิเลสเกิดขึ้นเรารู้ทันกิเลสเกิดขึ้นเรารู้ทันไปเรื่อยเราจะเห็นเลยกิเลสผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปเวลาความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ไปอีกก็จะเห็นเลยความสุขความทุกข์ผ่านมาก็ผ่านไปอีกนะอะไรในชีวิตเราล้วนแต่ของชั่วคราวว่าชีวิตเราก็ของชั่วคราวร่างกายจิตใจนี้ก็ของชั่วคราวเกิดดับเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปเรื่อยบังคับให้อยู่นิ่งไม่ได้ เสือน้อยใจรอยแล้วรู้สึกไหมรู้สึกครับอ้ออ้อวิลาสครงการบ้านเขาชื่อวิลาศินีนะเรียกย่อๆแล้วมันเพี้ยนไปวิลามันเป็นแมวไปก็หลังๆมันโมหะเยอ ะ, อะค่ะแต่บางทีก็พลิกเป็นโทสะเยอะเหมือนกันค่ะเออดีมีกิเลสเยอะเยอะดี นะกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วเรารู้ทันแต่ละครั้งแต่ละครั้งได้บุญนะเวลากิเลสเกิดเรารู้ทันปั๊บได้บุญล้มีสติขึ้นมาเมื่อไหร่จิตเกิดสติจิตเป็นกุศลงั้นคนไหนไม่เคยมีสตินะกิเลสเกิดแล้วมองไม่เห็นเนะี่ยไม่เห็นแต่จิตทำกรรมชั่วไปเรื่อยๆพวกนี้พอตกนรกนะไปเทียงย ม, มาบาล น, นะไม่เห็นได้ทําชั่วอะไรเลยทําไมตกนรกนะ แล้วเรามีสติโอ้ oh, เราเห็นแต่กิเลส ท, ทั้งวันเลยอ mm hmm. ตายไปอาจจะนิพพานก็ได้นะถ้า mm hmm. เรามีสติเราก็รู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปจิตใจนะั้นสําคัญมากมี น, น, น, นิทานเรื่องหนึ่งนะมีฤาษีคนหนึ่งตาจริงเป็นพระนิทานตั้งเดิมไม่มีพระองค์หนึ่งก็เปลี่ยนเป็นฤาษีเพื่อไม่ให้กระเตือนใจเราโทษฤาษีไว้ก่อนแล้วฤาษีไม่มาเทียงกับเรา <c oughs> หน้าวัดเนี่ยมีซ่องอยู่โสเภณีอยู่นี่เกิดฤาษีก็ตายนะโสเภณีก็ตายโสเภณีตายแต่ยังสาวนะฤาษีแก่แล้วตายแต่ตายไล่เลี่ย ก, กันโย ม, มาบาลก็เรียกมาทั้งคู่เลยมาตัดสินฤาษีนี้ไปตกนรกให้ฤาษีไปตกนรกฤาษีก็งงอุ้ยเราตกนรก โสเพณีคนนี้ไปขึ้นสวรรค์สงสัยฤาษีประท้วงนะสงสัยท่านประธานที่เคารพสงสัยท่านเพียนนะผมอยู่วัดตลอดชีวิตเลยให้ผมตกนรกโยมบาลอธิบายตัวฤาษีเนี่ยอยู่ในวัดแต่ใจอยู่ในซ่องทั้งวันเลยโสเพณีนะตัวอยู่ในซ่องใจมันอยู่ในวัดทั้งวันเลยใจสําคัญนะใจสําคัญให้รู้ทันให้ดีเหะ ถ้าเรารู้ทันจิตที่มีกิเลส น, นนะ่ดีมากทุกครั้งที่รู้ว่าจิตมีอกุศลนะในขณนะนั้นมีสติจิตเป็นกุศลละแต่ก่อนหลายปีไปแล้วหลวงพ่อเคยให้คนญาติโยมนี่เล่นเกมอนึง่งแจกกระดาษเดี๋ยวนี้แจกไม่ไหวเปลืองกระดาษโยมเยอะก่อนมาไม่กี่คนให้เล่นเกมตีเป็นช่องๆนะกระดาษช่องหนึ่งก็เขียนลงไปนะมีความโลภความโกรธความหลงอะไร รู้สึแล้วก็ให้ใคอยรู้สึกตัวองนะโมโหทีนึงขีดช่องช่องโกรธทีหนึง่งห<ม>งุดหงิดทีนึงช่องโกรธนี่พวกนี้ตะกูลโทสะโลภขึ้นทีหนึ่งขีดช่องโลภ<ม>ขีดติ๊กติ๊กติ๊ ก, ก, กไปนะอันนี้เป็นเครื่องพยากรณ์ว่าตายแล้วจะไปไหน <c oughs> ติ๊กๆ๊กลงไปติ๊กไปเรื่อยนะอ 5นาทีให้ทํา5นาทีไม่ได้ให้ทําเยอะหรอกจริงๆมันเป็นการซ้อมดูจิตนั่นแหละโกรธขึ้นมาทีหนึงขีดช่องโกรธนะโลภทีหนึ่งขีดช่องโลภใจลอยไปทีขีดช่องหลงสงสัยขึ้นทีนึ่งขีดช่องหลงสงสัยก็อยู่ในตระกูลโมหะนะฟุ้งซ่านไปตระกูลโมหะติ๊กติ๊ติ๊ก ต, ก ต, กตกไปเรยแล้วก็ดูครบห้านาทีามาดูถ้าช่องโกรธได้คะแนนเยอะนะ ก่ทต า, ายได้ว่านิสัยอย่างนี้ตายแล้วตกนรกว่าจิตคุ้นเค ย, เยว่าทำอาจินกรรมที่ประกอบด้วยโทสะเสมอทำกรรมประกอบด้วยโทสะเสมอเสมอตายไปมีแนวโน้มจะตกนรกถ้าจิตมีความโลภมากนะไม่เป็นเปราก็เป็นอสุรกายจิตหลงใจลอยบ่อยๆก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ่ายอนาคตได้นะถายติ๊ก ต, กตกเกมนี้ ในฤดูหนาวเนี่ยไม่ควรเล่นเล่นในฤดูร้อนดีถ้าเล่นในฤดูหนาวแล้วจะหนาวจัดนะหลายคนเล่นแล้วสั่นเลยนะวิเคราะห์อนาคตตัวเองถามว่าเลื่อนลอยไหมมีทฤษฎีรองรับนะคนเราเวลาตายแล้วจะไปเกิดเนี่ยกรรมตัวแรกที่จะให้ผลให้ไปเกิดเรียกว่าครุกกรรมหรืออนันตริยกรรมกรรมที่แรงๆอย่างคนไหนภาวนานะ เป็นพระอริยะเนี่ยไม่ต้องทายเลยนะยังไงก็ไปสุขตินะคนไหนได้ฌานสมาบัติไม่เสื่อมยังไงก็ไปสุขตนะินี่เป็นอนันตริยกรรมฝ่ายดีคนไหนไปฆ่าพ่อฆ่าแม่มาก็ไม่ต้องทายเหมือนกันไม่ต้องเล่นเกมนี้นะมีอนันตริยกรรมฝ่ายชั่วนะนี้ถ้าไม่มีอนันตาริยกรรมหรือขรุกรรมที่แรงๆเนี่ยอาจินตกรรมมันจะให้ผลคือกรรมที่เราสะสมจนเคยใจ เคใจมันจะให้ผลหลวงพ่อเคยเจอคนแก่คนหนึ่งผู้ชายนะลูกๆเนี่ยเข้าวัดภาวนาด้วยกันมีลูกสาวหลายคนวันหนึ่งแกแกแกไม่สบายไปนอนโรงพยาบาล น, นอนนอนไปนะแกก็โวยวายว่ามดดามาเต้มเลยนี่นี่มดดาไตลังคาไตฝาไตเตยีตยงไตรอบตัวเลยนะลูกนี่ร้องไห้เลยนะ ว่าพอเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่นี่เจอมดดำไม่ได้เลยต้องบี้รอให้มันเดินเข้าแถวนะเราก็บี้ทั้งแถวรู้สัดใจรู้สึกสัดใจเจออย่างนี้นะมันฝังเข้าไปฝังเข้าไปในจิตใต้สํานึกนะก็เห็นอย่างเี้ยจิอยากฆ่าตลอดจิตที่อยากฆ่าเนี่ยลงนรกแน่นอนเสร็จแล้วลูกหลานก็พยายามช่วยนะให้ทําบุญทําอะไรกระตุน้นนิมนต์พระไปสอนพยายามช่วย ตอนแกจะตายแกก็เริ่มมีนิมิตมีนิมิตเหมือนตัวเองกลาลังเคลื่อนไปปลายวงมงค์นี่เห็นไก่อยู่ตัวหนึ่งโอ้โหหน้าฆ่ามากเลยพวกลูกหลานพวกพระทั้งหลายทั้งก็นั่งภาวนาทั้งก็เห็นเ อ, เอ้นี่มันเป็นจ้องไก่ละแผ่ส่วนบุญไปให้แผ่แผ่แผไปก็คลาดจากไก่ไปให้เกิดเป็นอสุรกายดีขึ้นหน่อยหนึ่งดีกว่าเดรัจฉาน เป็อสุรกายลูกหลานก็ทำบุญให้ทาบุญภาวนาแล้วก็ทำบุญให้เขอเชิญพ่อมารับส่วนบุญนะบอกขอเชิญพ่อมารับส่วนบุญนะ้ำเหม็นหึงไปทั้งบ้านเลยเหม็นแบบเน่าแบบศพอ่ะเน่าดีครูบาอาจารย์ก็ยังอยู่ในบ้านนั้นด้วยยังไม่ได้ไป ก็ต้องแผ่ส่วนบุญให้อะไรให้นะมันก็ไปลูกหลานรีบบอกเลยนะพอเหม็นมาเนี้ยบอกอ่ะคุณพ่อเปลี่ยนละคุณพ่ออยู่ข้างนอกก็ได้นะจะส่งไปให้น ะ, ะคุณพ่อไม่ต้องเข้าไปในบ้านนะไม่ต้องเข้า บ, บ้านครูบาอาจารย์เลยดา่าทําไมมันโง่อย่างงั้นทำไมไปเรียกเขามาส่งไปให้เขาสินะนี่ถามว่าทําไมถามว่าทําไมเขาเคยไปยุ่งอะไรกับไก่คนเนี้ย ทำไมตอนจะตายทีแรกมีนิมิตถึงไก่เขาบอกว่าพ่อเขาเนี่ยตอนหนุ่มๆ น, นะเมียตายตั้งแต่ยังสาวๆเมียยังสาวตายไปเลี้ยงลูกอยู่สองสามคนรักลูกไม่ยอมมีเมียใหม่นะตกข้าก็ไปเรียกเพื่อนมากินเหล้ากันสีซอกินเหล้าสั่งลูกน้องเชือดไก่เลี้ยงกันมาละตัวนี่อาจินกรรมนะสะสมไหม ังกรรมอะไรที่ทำแม้สะสมซ้าแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าอีกเนี่ยพวกนี้จะส่งผลให้เราไปเกิดตามกรรมอันนั้นนี่ถ้าเราฝึกของเรานะจิตใจมีทานมีศีลอะไรเป็นประจาของเราเนี้เราก็ไปดีจิตใจของเราโลภโกรธหลงเป็นประจานั้นก็ไปอาบายพระเจ้าสอนบอกว่าคนส่วนมากตายแล้วไปทุกขตินะไม่ใช่สุ ข, ขตินะต้องระวังนะพวกเราโอกาสไปทุกขติยังมีนะไม่ใช่ไม่มี ลองไปทําตารางที่หลวงพ่อบอกแล้วลองติ๊กต๊กดูโกรธทีหนึงใส่ช่องโกรธโลภทีใส่ช่องโลภแล้วดูซะช่องไหนเยอะกว่ากันแต่ว่าบอกความลับให้อันหนึ่งถ้าใครเล่นเกมนี้นะจะไม่ไปอบายหรอกเวล า, วาความโกรธเกิดขึ้นแวบขึ้นมาแล้วสติเราเห็นอกุศลคือความโกรธนี่เกิดขึ้นตัวแค่นี้ตัวเล็กๆนี่แต่สติที่เกิดขึ้นมันเป็นบุญตัวแค่นี้มันสู้กันไม่ได้หรอก มั้นมีสติบ่อยๆมีสติบ่อยๆนะมันจะไม่ไปทุคติหรอกถ้าสติอัตโนมัติเลยเหมือนองเงี้ยถ้าไม่เสื่อมไปจากตรงนี้นะชาติต่อไปนี้ไม่ไปทุคติมันปิดเอบาบยภูมิไปได้หนึ่งชาติชาติเดียวนะปิดได้หนึ่งชาติเพราะจิตที่เดินมาถึงอย่างนี้นเรียกว่าจิตมันได้จุลโสดาบันจุลโสดาบันไม่ใช่พระโสดาบัน จุลโสดาบันคือคนที่ภาวนาจนได้ถึงสมมสนญาณสมมสนญาณเนี่ยคือการที่เห็นไตรลักษณ์นั่นเองเห็นแต่ว่าไม่ได้เห็นด้วยการเข้าไปประจักษ์ความเกิดดับต่อหน้าต่อตา อ, อ, อย่างองค์ภาวนาองค์เห็นสภาวะที่เกิดดับต่อหน้าต่อตา น, นี่เลยสมมสนญาณอีกเรียกวุฒิยปยญาณงั้นถ้าเราภาวนานะเราเห็นไตรลักษณ์ที่ยังเจือด้วยการคิดอยู่ จะได้การคิดอยู่นี่ว่าได้สัมมาสัญาณในตำรานะบอกว่าปิดอภัยได้ชาติหนึ่งมาดูดูมันก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าสติมันเริ่มเกิดขึ้นอัตโนมัติแล้วเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะแต่มันยังไม่หยั่งลงไปเห็นสภาวะเกิดดับสติเกิดเร็วๆนี่เวลาเราฝันร้ายรู้สึกไหมสติเกิดอัตโนมัติเลยงั้นเวลาจะตายพานิมิตไม่ดีเกิดนะสติเกิดอัตโนมัติเลย ไอนิมิตไม่ดีดับไปเกิดนิมิตที่ดีแทนงั้นหัดดูจิตดูใจไว้นะหัดดูไปใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยใช้ในชีวิตประจําวันนี้ก็ได้นะใช้ไปมากผล น, นิพพานก็ได้ถ้ายังไม่มากผล น, นิพพานไม่ถึงนิพพานในชีวิตนี้เอาไปใช้ประโยชน์ตอนจะตายไปช่วยตัวเองตอนจะตายได้หัดรู้สึกตัวเรื่อยๆรู้สึกบ่อยๆนะ ช่วยประโยชน์เยอะนะในชีวิตประจำวันก็ได้เคยมีผู้ชายคนหนึ่งมีเมียหลายคนนะเคพามาเรียนที่หลวงพ่อทีละคนนะไม่พามาพร้อมกันฉลาดมากเนี่ยสมเป็นนักปกครองชั้นเลิศเลยมีหลายคนไม่ตีกันเพราะว่าพาเข้าวัดหมดเลยต่างคนต่างดูใจตัวเองไม่ไปดูอีกบ้านหนึ่งดูของตัวเองนี่ฉลาดมากเอาอย่างไหม ว, วันหนึ่งนะลูกคนหนึ่งไม่สบายมาก พ่อแม่ก็ไปยืนเกาะเตียงร้องไห้อยู่กลัวลูกตายเกาะร้องร้องร้องร้องไปเมียก็เคยมาเรียนกับหลวงพ่อนี่แหละร้องไปสักพักนะสติมันเกิดหันไปดูลูกกําลังร้องเผลอๆอยู่หันไปดูลูกที่นอนกกมแมวกกมแมวอยู่บนเตียงนะั้นมันรู้สึกขึ้นด้ใจ ท, ทันทีเลยนี่แค่วัตถุเองนี่แค่ก้อนธาตุเองธาตุนี้กําลังนอนอยู่นี่ไอ้ตัวที่เกาะเตียงร้องไห้อยู่ก็เป็นก้อนธาตุอีกก้อนหนึ่ง เห็นแต่เป็นธาตุหมดเลยไม่มีคนไม่มีสัตว์นะเลิกร้องไห้เลยใจิตใจเบิกบานขึ้นมาเลยนะเลิกร้องไห้เลยโอแล้วจิตมีกาลังเยอะขึ้นมาได้ข่าวว่าลูกก็หายนะลูกก็หายเนี่ยเวลาจวนตัวจาเป็นนะสติมันจะทำงานได้อัตโนมัติขึ้นมาช่วยเราธรรมะมันช่วยเราแต่ถ้าเราไม่ฝึกนะ่ไม่ได้ผลหรอก เมื่อไม่กี่วันนี้ไปเยี่ยมคนแก่คนหนึ่งเป็นญาติกันไม่สบายตอนอยังแข็งแรงเรียกให้ภาวนาไม่เอานะห่วงลูกห่วงหลานไปวุ่นวายอยู่กับลูกหลานเรื่อยๆพานอนแบบๆอยู่โรงพยาบาลเนนะีย่ยจะต้องผ่าตัดอะไรชักใจไม่ดีนะถามหลวงพ่อว่าจะภาวนาอย่างไงอะ่ะบอกภาวนาไงอะ่ะได้แก่พุทธโธไปได้แค่นั้นก็บุญแล้ว ต้องฝึกไว้ตั้งแต่ยังแข็งแรงนะต้องฝึกหัดรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจเปลี่ยนไปเรื่อยกิเลสเกิดแล้วก็รู้บ่อยๆไปเรื่อยๆถึงข่าวฉุกเฉินถึงข่าวจำเป็นมันช่วยตัวเองได้ถ้ารู้ไปแก่กล้าเพียงพอนะก็เกิดมรรคเกิดผลขึ้นไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยมรรคผลผนิพพานไม่ใช่เรื่องคนวิสัยแล้วนิมนต์ครับนิมนต์นิมนต์น ถ้ายังไม่ได้นะไปต่อชาติหน้าชาติหน้าง่ายชาติหน้าทำได้ง่ายเคยมีคนหนึ่งตอนเด็กๆ เ, เล่นอยู่หน้าบ้านไฟไหม้ข้างบ้านนะลุกขึ้นไปวิ่งไปจะไปบอกพ่อนะี่วิ่งไปสมเก้าท่านะจิตมันย้อนดูจิตอัตโนมัติเลยยังเด็กๆสิบ ก, กวบเองมีไลร่โกงมาเล่านะท่านตอนเป็นวัยรุ่นนะไปลอยกระทง เขาจุดพลุขึ้นมาตุ้มนะตกใจตกใจไหวจิตไหววับเห็นเลยเป็ความไหวก็วตื่นขึ้นมาเสร็จแล้วก็ลืมไปอีกลืมไปจนมหัดภาวนาถึงจุดที่จิตตื่นขึ้นมาละก็บอกได้เลยว่าอ๋อตรงนี้เคยเป็นมาแล้วความรู้สึกอย่างนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่นึกไม่ออกว่าเกิดมาแต่เมื่อไหร่ความจริงเกิดมาแต่ชาติก่อน เราภาวนามันคือการลงทุนที่กุ้มค่านะทุกวันนี้เราลงทุนกับชีวิตเราเพื่อจะหาความสุขให้ชีวิตเราเยอะแยะนะลงทุนมากมายเลยแต่และ ว, วันแต่และ ว, วันตอนเด็กๆลงทุนไปเรียนหนังสือนะลำบากแทบแยกโตขึ้นมาลงทุนทำมาหากินอะไรเงี้ยอุตส่าห์ไปหาครอบครัวนะจีบสาวมาอุตส่าห์มีลูกนะหวังว่าจะมีความสุขทางนั้นนะลงทุนเลี้ยงลูกตั้งนานเนะี่ย เราลงทุนในชีวิตเรานะเหนื่อยยากมากมายเลยด้วยความปรารถนาจะมีความสุขแต่ถ้าเราปฏิบัตินะเราลงทุนปฏิบัติบ้บางลองดูสิ่งที่ได้มาจากทางโลกถึงเวลาวันหนึ่งก็ต้องทิ้งไปแต่การภาวนาของเราฝึกดูจิตดูใจไปเรื่อยๆมันข้ามพบข้ามชาติไปได้ชาตนหน้าภาวนาง่ายงั้นไม่ถอยนะถอยไม่ได้ ชาวพุทธต้องต่อสู้นะห้ามถอยเอาใครจะส่งกันบ้านเชิญมีไหมหลวพอ่อขามันก็ยังมีก้อนๆ น, นะคะแต่ว่าใจก็วางมันได้บ้างบ้างใจใจยังไม่เป็นกลางกับมันที<ต>เดียวยังไม่เป็นกลางแต่ว่าปล่อยบ้างจับบ้าง อ, อางี้คะ่ะให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางอย่าไปรู้ที่ก้อนๆมันมันจะเผลอไงคะหลวงพ่อพอเวลาเผลอเราก็รู้สึก พอตอนรู้ว่าเผลอตรงนั้นน่าจะวาไปดึงเอาไว้อพอพอพอรู้ว่าเผลอเสร็จปุ๊บกลับมาจับอ ม, มันจะกลับมาดึงไว้มันดึงเพราะมันรักตัวกลัวเผลอใช่ฟังหลวงพ่อเมื่อเช้ามันก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ดูไปช่วยไม่ได้หรอกจิตมันจะจับก <c oughs> ว่า ม, มันจะเลิกนะยากนะ ก็จะดูมันไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอคะดูตรงดูตรงไหนเขาไม่ดูที่จิตที่จิตนะไปไม่พอใจมันใช่ไหมคะไม่ใช่ดูไอ้ก้อนๆนั้นก้อนๆนั้นไม่ใช่จิตดูที่อยากหายนั่นอย่างเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเรารู้แล้วนะใจเราไม่เป็นกลางให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางหรือความสุขเกิดขึ้นใจเราไม่เป็นกลางเราชอบให้รู้ที่ชอบเนี่ยพระเจ้าสอนบอกพิชสูทั้งหลาย เมื่อใจรู้ธรรมารมณ์ความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงับถ้ารู้ทันจิตก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาสภาวะธรรมก็จะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูได้ปัญญาแัง้กิเลสเกิดเนี่ยยังไม่ใช่ปัญหานะกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วมีสติไปเห็นมันนั่นคือการเจริญปัญญานะก็จะเห็นเลยความโลภเกิดแล้วก็ดับความหลงเกิดแล้วก็ดับนะ ความโกรธเกิดแล้วก็ดับนั่นได้บุญนะการที่เห็นอย่างนั้นเป็นคือการเจริญปัญญาบุญมีหลายเกรดเลยหลายระดับแต่บุญใดที่ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ดีแล้วลำบากไป ต, ต้องดูไปเรื่อ ย, อยๆห้ามถอยเห็นม<อ>ันรําคาญไปเรื่อยๆค่ะเห็นรำคาญดูที่รําคาญเนี่ยดูที่ปฏิกิริยาของจิต ปฏิกิริยาของจิตต่อสภาวะธรรมต่ออารมณ์เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ปัจจุบันขึ้นเลยจะเป็นอารมณ์ใหม่ๆเช่นพอมันไปเห็นจิตเกาะอยู่แล้วรำคาญเนี่ยความรำคาญเป็นอารมณ์ใหม่เอ็ตรงที่เกาะนั้นเป็นอารมณ์เก่าให้รู้อารมณ์ปัจจุบันไปเห็นจิตที่รำคาญอยู่ถ้ารู้ไม่ทันมันจะครอบงํามันจะดิ้นรนไหมทำยังไงจะหายนะทําไงก้อนนี้จะหายนะคิดแต่จะทําการกระทํากรรมของจิตเรียกว่าพบ อันทีที่จิตทํากรรมคือทํางานขึ้นมาความทุกข์ก็จะเกิดอัตโนมัตินะพบเกิดเมื่อไหร่ความทุกข์ก็เกิดเมื่อ abdomen. นั้นเพ้นพบก็คือการทํางานของจิตนั่นเองจิตมันทํางานขึ้นมาได้เพราะมันมีความยินดียินร้ายต่อสิ่งที่มันไปรู้เข้าทาั้งๆที่สิ่งที่มันไปรู้เข้านะั้นโดยตัวของมันเองแล้วเสมอภาคกันหมดเลยแต่จิตไม่เสมอภาคจิตมีความยินดียินร้ายให้รู้ทนดดนันตัวนี้ถ้ารู้ไม่ทนันมันจะทํางานขึ้นมา สร้างพบขึ้นมาสร้างทุกข์ขึ้นมาถ้ารู้ทันไม่ปรุงแต่งต่อนะสภาวธรรมทั้งหลายก็จะแสดงไตรลักษณ์แล้วก้อนกอนนี้เกิดแล้วก็ดับนะความสุขเกิดแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยเห็นซ้ําแล้วซ้ำอีกซ้ําแล้วซ้าอีกนะได้เห็นเลยในทุกๆสภาวะนะั้นมีแต่ธรรมชาตินะที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเกิดแล้วก็ดับไม่มีตัวเราไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีเราไม่มีเขาไหนนั้น เห็นไปเห็นไปนะซ้ําแล้วซ้ําอีกจนกระทั่งใจมันซาบซึ้งซาบซึ้งถึงใจมันยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีแต่ก่อนที่จะเห็นว่าตัวเราไม่มีที่ได้พระโสดาบันเนี่ยจิตมันจะตนกตกใจอยู่ช่วงหนึ่งพอเรามาดูกายดูใจมากเข้ามากเข้านะตัวเราหายไปเนี่ยตัวเราหายไปบางคนมันรู้สึกเวิงว่างเลยนะจะรู้สึกเวิงว่างอุ้ยเราหายไปไหนเวิงว่างหาที่เกาะไม่ได้บางคนรู้สึกกลัวนะอุ้ยตัวเราหายไปแล้วน่ากลัวที่สุดเลย กายนี้ไม่ใช่เราจิตใจนี้ก็ไม่ใช่เราตัวเราหายไปไหนรู้สึกกลัวบางคนรู้สึกเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยตัวเราไม่มีแล้วเนี่ยอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่เลวจะมีความหมายอะไรเพราะตัวเราไม่มีมันจะเบื่อความสุขเบือ่อความทุกข์เบือบ่อกุศลเบือ่อกุศลเบื่อเหมือนกันหมดเลยมันจะเกิดความรู้สึกพวกนี้ขึ้นมาช่วงหนึ่งนะเป็ น, เ ป, นเป็นทางผ่านบางคนรู้สึกตรงนี้นิดเดียวแล้วสติปัญญาเดินต่อเห็น ความเบื่อความกลัวความเมื่งว่างวังเวงก็เป็นใจรักนี่พอรู้อย่างนี้วางนะวางจิตก็เป็นกลางก็ไปรู้สภาวะด้วยความเป็นกลางต่อไปได้เลยบางคนไปติดอยู่นานๆไม่มีสติปัญญาจะ ก, ก้าวต่อไปก็ติดนานแล่นเราก็สังเกตใจเราภาวนาไปแล้วเบื่อก็รู้ทันมันภาวนาแล้ ว, วไปกลัวว่าตัวเราหายไปแล้วก็รู้ทันมันรู้ไปด้วยในสุดใจมันยำรับความจริงตัวเราไม่มีนี่แล้วก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเลย ตัวเราก็ไม่มีแต่ก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรไม่ใช่เรื่องน่ากลัวไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออะไรใจก็เป็นกลางใจไม่ดิน้นใจไม่ดิ้นเนี่ยใจก็เลิกปรุงแต่งพอใจเลิกปรุงแต่งใจก็ไปเห็นมรคนิพพานอันนี้ผ่านเป็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งให้เรารู้ทันความปรุงแต่งของใจตัวเองเรื่อยๆนะรู้ไปเรื่อยมันทาอะไรขึ้นมารู้มันปรุงดีปรุงชั่วรู้ไปเรื่อยตามรู้ไป ถึงวันหนึ่งใจฉลาดใจเป็นกลางความสุขมาใจก็เป็นกลางเพราะว่าฉลาดรู้ว่าความสุขก็ของชั่วคราวความทุกมาใจก็เป็นกลางเพราะมันฉลาดมันรู้ว่าความทุกข์ขลล ก, ก็ของชั่วคราวกุศลและอกุศลก็ของชั่วคราวนะไม่ใช่ว่ารักสุขเกลียดทุกข์รักดีเกลียดชั่วแต่เดิมรักสุขเกลียดทุกข์รักดีเกลียดชั่วเพราะอยากให้ตัวเราดีมีความสุข คอยรู้สึกนะง่ายนะง่ายสุดๆเลยง่ายจริงๆถ้าภาวนาแล้วรู้สึกว่ายากนะรีบหยุดเลยนะทําผิดแน่นอนทําผิดแน่นอนต้องง่ายต้องง่ายอ่ะคุณวุฒิว่าไงรู้สึกว่าใจมันมีความเป็นกลางมากขึ้นใช่เป็นกลางมากกว่าคุณมนแต่เมื่อวานมีโมหะมากกว่าคุณมลนมะวันนี้ใจเป็นกลางมากกว่าเขาอีกแล้ว เอาแน่ไม่ได้อดีเรียกว่าผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะเมื่อกี้ชอบที่หลวงพ่อบอกว่าใช้คําว่าอยายยึดจิตนะฮะอะไรนะที่หลวงพ่อบอกว่าอยายยึดจิตรู้สึกว่าเออพอมาใช้แล้วมันก็มันวางได้ได้ง่ายขึ้เออนะดูไปตรงนั้นหละจีรัสแหละจีรัสก็ก็ก็ยังมีโมหะอยู่นะครับมีนิดเดียวบาง บางกว่าวันก่อนโน้นจีรัตก็ปลกใจให้มันคึกคักไว้นะนะคึกคักไว้มันอยู่ที่ใจเราเองอะทําไมมีโมหะเยอะรู้ไหมเพราะว่าน้อมใจให้มันมีโมหะน้อมให้มันซึมอะอย่าไปน้อมให้มันซึมสิน้อมให้มันคึกคักไว้เออให้มันอย่างนั้นห <laughs> นึ่งก็ไม่มีดอกนะจริงๆแล้วเราไปสร้างอะไรต่ออะไรขึ้นมานะ้นเราก็ไปติดในสิ่งที่จิตเราไปสร้างขึ้นมา อ่ะใครจะส่งการบ้านหญิงอ่ะไหมเนี่ยอามาเบอร์แปดสิบสามเมื่อก่อนสงสัยเอ้สเมืก่อนผมเข้าใจผิดว่ามีแต่รู้กายไม่ได้ตามรู้กายตอนนี้หลวงพ่อมาพูดเมื่อเช้าเนี่ยว่าตามรู้กายเนี่ยมันคือดูขั้นแรกหรือตามรู้กายครับแล้วแล้รู้กายนี่มันขอคําว่ารู้กายทีย่รู้กายมันรู้ลงปัจจุบันเลย รู้สึกไหมไอ้ตัวนี้กําลังกระดุกกระดิกเนี่ย <lif eline. S 3> ร, รู้สึกไหมไอ้ตัวที่กําลังกระดุกกระดิกอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยตัวนี้มันยิ้มแล้วรู้สึกไหมเนี่ยมันพยักห right. น้าแล้วรู้สึกไหมเนี่ยมันจะรู้สึกลงไปตรงๆเลยรู้สึกลงไปไม่ใช่คิดนะแต่รู้สึกจิตสงสัยอะรู้ไหมรูค้ครับเออจิตสงสัยให้รู้ว่าสงสัยแล้วบอกว่าดูจิตไม่เป็นอ <acept. S 2> จิตสงสัยรู้ว่าสงสัยพวกที่บอกดูจิตไม่เป็นนะถามเขาตอบได้ทุกคนอะ ถ้าเราไปโมเมลเองเรานึกว่าจิตคืออะไรอย่างหนึ่งเป็นดวงดวงลึกลับซับซ้อนงั้นถาไอ้ดวงนี้ไม่เจอเสดงว่าดูจิตไม่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่ความรู้สึกอะไรกําลังปรากฏอยู่รู้ลงไปอย่างนั้นแหะเนี่ยใจแอบไปคิดแล้วรู้ไหมคร <c oughs> ับนั่นเราจะมาบอกวาดูจิตไม่เป็นหน้ามันหลังอะเฮ้ยผมสงสัยที่ว่าไอ้ที่พระเจ้าพ่อแยกไว้สออย่างว่าตามรู้กายกตามรูกร้กายเนี่ยเพื่อให้เกิดสตินะ รู้กายลงเป็นปัจจุบันเพื่อให้เกิดปัญญานะคนละอ่านกันตามรู้กายหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยเมื่อกี้มันแอบพยักหน้าเปิ้นรู้สึกไหมเมื่อกี้มันเผลอไปพยักหน้าเราลึกขึ้นได้ว่าเมื่อกี้มันพยักหน้าจิตจะตื่นขึ้นมาอยากพูดล้รู้สึกไหมเนี่ยแล้วไอ้ที่ครับครับเนี่ยรู้สึกไหมตัวที่ครับครับเนี่ยเห็นไหมจริงๆเ่ยไม่ได้ดูกายหรอกจริงๆดูจิตในนี้จะา็คำว่า ดูกายเนี่ยก็คือเท่ากับดูจิตเส ม, มอภาคกันตรงา น, นใช่ครับอะไรน ะ, ะการดูกายเนครับก็เท่ากับช่วงที่ดูจิตมันเส ม, ม, มอภาคกันตรงนั้นใช่เหมือนกันคือเป็นการตามดูแต่เวลาในขั้นเจริญสติเนี่ยทำให้เกิดสติเนี่ยดูกายกับดูจิตดูอย่างเดียวกันคือตามดูร่างกายเผลอกระดุกระดิกไปก่อนแล้วระลึกขึ้นได้ว่าเผลอไประลึกได้ว่ามันกระดุกระดิก จิตหลงไปเราลึกได้ว่าหลงไปเป็นการตามรู้หลงไปก่อนเรารู้ว่าหลงกระดุกกระดิกไปเรารู้ว่ากระตุกกระดิกนะีมันจะทําให้เกิดสติต่อไปพอเราเผลอนะเราอย่างหลวงพ่อก็เคยฝึกพอเราหัดฝึกสติของเราเรื่อยๆวันนึงเห็นเพื่อนอยู่คนละฝั่งถนนดีใจไม่เจอหลายปีแล้วไอ้คนเนี้ยก้าวขาจะข้ามถนนไปทักทายมันนะพอขาเคลื่อนไหวปั๊บสติรู้สึกเลย รู้สึกตัวเลยเนี่ยเพราะว่ารูปเคลื่อนไหวสติเกิดสติเกิดขึ้นมาเลยนี่เป็นวิธีทําให้เกิดสติคือตามดูตามดูกายตามดูจิตส่วนวิธีให้เกิดปัญญาเนี่ยดูกายลงปัจจุบันดูจิตก็ยังเป็นการตามดูอยู่ตามหลังไปติดๆไม่ใช่เป็นปัจจุบันการดูจิตไม่เป็นปัจจุบันนะแต่ว่าต่อเนื่องกับปัจจุบันเรียกว่าปัจจุบันสัน ต, ติปัจจุบันสัน ต, ติคือมันสืบเนื่องกับปัจจุบัน ทำไมดูจิตดูลงปัจจุบันไม่ได้เพราะจิตนะ่ะอายุสั้นมากจิตนี้รู้อารมณ์ได้ครั้งได้อย่างเดียวเช่นมันกําลังเผลอเๆออยู่นะมันกําลังไปคิดใจลอยไปคิดถึงใครสักคนอยู่เนี่ยมันจะรู้ตัวเองไม่ได้เพราะขณะนั้นมันมัวแต่ไปคิดเรื่องคนอื่นแต่จิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมารู้ว่าจิตเม่กี้เผลอไปอย่างนี้เป็นไปได้เพราะงั้นการดูจิตจะเป็นการตามหลังไปเรื่อยๆอย่างคุณเสื้อแดงอแอบไปคิดแล้วทราบไหมมันเป็นการดูตามหลัง ไม่ต้องพยายามดูให้ลงเป็นปัจจุบันนะหลายคนพยายามดูจิตให้เป็นปัจจุบันมันจะกลายเป็นการเพ่งจิตไปจ้องรอดูว่าเมื่อไรอะไรจะเกิดขึ้นในจิตใจอย่างนั้นทำผิดละแต่กายนี้รู้ลงปัจจุบันเพราะไรกายมันอายุยืนจิตเกิดดับไปตั้งหลายดวงแล้วกายยังอยู่คงที่อยู่อย่างนี้ยังไม่ดับไอกระ้นกินข้าวเยอะไปนิดนอ้านุชรัต เจอผีอย่างเมื่อวานไม่ได้ใจค่ะหลวงอาแต่ว่ามันมีความกลัวก็ดูว่ามันมันกลัวก็เพราะว่ารู้สึกว่ามาตรงที่ว่ามันเป็นตัวตนว่าเรามีความตัวตนมันก็เลยเข้าไปกลัวบางค่ะหลวงอามันก็เลยไม่ค่อยกลัวค่ะเออสังเกตไหมมันกลัวผีก็เพราะมันรักตัวเองใช่ค่ะเพิ่งมองเห็นเมื่อวานนี้เออดีถ้าดูอย่างนี้ได้ถัดไปก็หาฮวงซุยแถวเนี้ยแถวนี้เยอะนะ ไปหาที่นั่งเข้าเอาอย่างนั้เลยนะคะเก่งใจค่ะเก่งใชวนตัอมไปไม่ได้ไปการผีหรอกหรอกการชาวบ้านชุดไปยังไม่กล้าขนาดนั้กล้าเหรอเต่ว่าที่หลวงอาบอกว่าเมื่อวานติดสมาธิใช่ไหมคะหลวงอาก็เลยใช้การลืมตานะคะมันก็เลยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอ้าวอ้าวตัอมอ้าวองอ้าวอง ปกติองค์จะรู้เครื่องนอกๆช่วงๆนี้ใช่ไหมคะผพราเมื่อวานหลวงพ่อบอกว่ามันออกนอกฐานก็เลยกลับไปที่ดูกายธรรมดาดูลมหายใจธรรมดามันก็ถอยเข้ามาเมื่อคืนมันก็เลยดิ่งลงไปเลยนะแล้วเมื่อคืนมันดิ่งเข้าสมาธิไปแล้วองค์ไม่รู้สึกตัวเลยเมื่อคืนมารู้สึกตัวตอนเช้าเลยอีกอทีหนึ่งเหมือนมันหายไปเพราะคราวนี้ตอนตื่นขึ้นมาปับ๊บ ตอนเช้าเนี่ยมันจะตอนนี้มันเฉืยมันช้าสติช้ากับปกติปกติ<ม>ถ้าเหมือนกับมีคนไปเปิดประตูเนี่ย<ม>องก<ม>็จะทัน<ม>ทีว่าอคนไปเปิดประตูแล้วจิตวิ่งไปก็อาจิตไปตรงนู้จิตไปตรงนี้นอย่างเงี<ม>้ยแต่ตอนนี้รู้สึกช้ามันมันันนช้าไปคือมันมันจะช้าลงนิดหนึ่งมันจะเนิบเนิบมันจะเนิบเนิบค่ะเนิบเนิะแต่วันนี้ก็ยังไม่ถึงฐานนะรู้สึกไหมรู้สึกได้อะว่าเมื่อคืนนี้องค็ไม่ได้ องไม่ได้รู้สึกตัวแล้วมันลงไปถึงฐานเองแต่เมื่อคืนนี้องค์ดึงลงไปเมื่อคืนนี้องค์จับได้จับได้จังหวะหนึ่งว่าจิตมันตั้งใจดึงให้ถึงฐานเอออย่าไปดึงมันให้รู้ว่ามันไม่ถึงฐานหรือมันถึงเองอย่าไปดึงมัน<ะ>ถ้าดึงมันจะเกินใช่รู้สึกได้<ะ>นิ่งเกินจริงก็รู้สึกว่าวันนี้มันเกินจริงไปนิดนึงเกินจริงทำยังไงดีคะ สบัดกลับออกมาใหม่ได้ไหมคะไม่ต้องเดี๋ยวสบัดอีกก็คือปรุงแต่งใหม่ให้รู้ว่าอยากให้ดึงอยากให้เข้าฐานแล้วดึงมาแล้วก็ยังดึงไม่เข้าฐานด้วยนะแต่ว่าได้ความแข็งมานะใช่ค่ะใช่รู้สึกว่ามันดึงเกินไปแล้วให้รู้นะไม่ได้ให้ดึงกลับไปจับลมหายใจธรรมดาแล้วเริ่มไปดูใจลอยใหม่ปกติไปเริ่มที่ประตูได้ไหมค่ะได้อย่างนั้นอ่ะดีที่สุดงั้นองค์กลับไปที่ประตูทุกวันเนี่ยนะเริ่มนับหนึ่ง เริมนับหนึ่งแต่ไม่ต้องนับสองนับสามนะอง่าง่ายกว่าเพราะว่าถ้าไปเริ่มที่ขับรถแล้วใจลอยตรงนั้นจะง่ายสุดเอาเอาที่ไม่ไปชนไกลนะดีเหมือนเหลือให้แม่ขับไม่ต้องไปแกล้งมากนะก็เริ่มต้นที่ฐานใหม่ลมหายใจใจลอยปกตินั่นแหละฝึกต้องฝึกอย่างกันเรื่อยๆทุกวันวันลาเล็กน้อยก็ยังดี <Okay. S 2> เนี้ย <Okay. S 2> องค์ทิ้งการฝึกเบสิกไปพอทิ้งการฝึกเบสิกนะมันตามรู้ตามเห็นสภาวะมากเข้ามากเข้านะั้นมันกระจายออกไปรู้ข้างนอก <Okay. S 2> นี่พอเรารู้ว่าออกข้างนอกเราก็ไปดึงเข้ามาเห็นไมออกข้างนอกก็ผิดนะดึงเข้ามาก็ผิดอีก <Okay. S 2> แต่ว่าถ้าสติเรารู้ทันจิตไปข้างนอก ร, รู้เฉยๆนะข้างนอกก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยมันก็เข้าฐานเองแต่ต้องใจถึงๆนะ ถ้าถึ ง, ถงเธอไม่เข้าไม่เป็นไรแต่ฉันรู้ทันเธอแล้วมันจะเข้ามาพอดีพอดีค่ะงั้นกลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วใจแฉลาดไปรู้แฉลาดไปรู้ฝึกทุกวันอนะ่ะไม่เลิกหรอกอันนั้นค่ะนะไม่ทิ้งอ้าวเบอร์สาสิบเอาไหมจิตของโยมตอนนี้ควรทําสมาธิไหมคะดังๆไม่ได้ยินนะจิตของโยมตอนนี้ควรทําสมาธิไหมคะจิตตอนนี้ซึมไปเดี๋ยวใจให้คึกคักไว้ ลุกขึ้นร้องเพลงม่ใช่ทำสมาธินะซึมมากไปเอาเบอร์สามสิบหกเอาครับออก็ตอนนี้แข็งออแข็งครับเออแข็งถูกต้องก่อนหน้านั้นก็มีโปรงๆอ่อนๆแล้วก็แข็งแล้วก็แล้วก็มีซึมอืมดี <Okay. S 1> สังเกตไหมรเราบังคับมันไม่ได้หรอกถ้าบังคับเมื่อไหร่ก็แข็งแข็งซึมซึมมันนั้นแหละ รู้สึกตื่นๆครับแล้วก็เมื่อกี้รู้สึกต<ล>ื่นๆครับแล้วก็ฟุง้งซ่านครับแล้วก็ตอนตอนนี้เฝ้าดูดูพอรู้สึกว่ามันมีการยึดแล้วก็อยากแล้วมันก็จะทุบต่อไปเออถูกต้องเลยแล้วมันก็มีการขยับหนีทุกด้วยเออดีแล้วนะเราดูไปจนเราเห็นเลยมันทำงานของมันเองทั้งวันทั้งคืนตรงนี้ดูได้ยังจิตมันทำงานของมันเองทั้งวันทั้งคืนเลยนะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทางานได้เอง อ่าเบอร์ยี่สเบอร์ยี่สิของผมเบอร์สามสิบกลุ่มใจไหมอ่ะให้เบอร์33มสิบสาก่อนจะได้รู้แล้วรู้รอดไปฟังซีดีหลวงพ่อมายกยกมาใกล้ๆฟังซีดีหลวงพ่อมาค่ะแล้วเวลามาทำแบบหัดเองอย่างเงี้ยค่ะเราไม่มีใครช่วยชี้ว่าตอนนี้เพ่งตอนนี้เผยหรือเปล่าค่ะขอให้สงสัยไหม สงสัยั้ยว่าเอเพ่งหรือเปล่าเผลอหรือเปล่าถ้าสงสัยรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่ก็รู้พอดีแล้วเนี่ยแอบไปคิดแล้วรู้ไหมเน่รู้ลงไปเรื่อยๆรู้ลงปัจจุบันไปแล้วไงก็คือให้รู้สึกตัวอย่างนี้ไปตลอดใช่ไหมคคือตอนนี้มันไม่ธรรมดารู้สึกไหม รู้สึกหัวใจเต้นเร็วเออมันไม่ธรรมดานะไม่ใช่ให้หัวใจเต้นเร็วไปตลอดนะเดี๋ยวบอกเอาแบบนี้ตลอดตายเลยก็คือคอยดูไปที่อย่างที่ดูนั่นแหละนะกิเลสเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาอย่าเผลอยาวนัดเผลอนิดนหน่อยหน่อยพอแต่ทำอย่างนี้ก็ถูกต้องแล้วใช่มใช่ใช่ดีแล้วต้องดูบ่อยๆนะครับเบอร์ยี่สิบ ผมควรจะปรับปรุงตรงไหนบ้างครับ อ, อ๋อไม่ต้องนะแต่ตอนเนี้ยมันตั้งใจเยอะไปนิดนึงเกินรู้สึกไหมอาจจะเพราะว่าตื่นเต้นน่ะไปข่มมันดูออกไหมรู้สึกหลังๆเนี่ยการรู้ตัวบ่อยๆมันไม่ค่อยมีเหมือนเมื่อก่อนนะฮะเหมือนมันรู้ตัวได้น้อยลงนะฮะบางทีรู้สึกตัวนะแต่ไม่รู้ว่ารู้สึกก็มีนะมันไม่บูมบ้าเหมือนทีแรกๆครับ อย่างแต่เดิมมันคล้ายๆเราอยู่ในห้องที่มืดสนิทเลยนะมืดตื้อๆไม่มีหน้าต่างเนยะเราขีดไม่ขีดขึ้นก้านเดียวเรารู้สึกสว่างมากเลยจิตของเรามีแต่โมหะมาตลอดเลยสติเกิดครั้งแรกนละ้รู้สึกสว่างมากเลยต่อมาพอเรารู้สึกสว่างจนชินอยู่อย่างเนี้ยจุดไม่ขีดแทบไม่เห็นแนละมันไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกน ะ, ะแต่มันรู้สึกจนรู้สึกธรรมดา ก็ตามดูไปเรื่อยๆเ<ต>ช่นครับแต่อย่าทิ้งรูปแบบนะผมไม่ทิ้งครับริงอันใช้ได้ฉนั้นควรไปภาวนาแบบต่างจังหวัดบ้างไหมครับต้องดูนะบางทีออกไปภาวนาเสียก็มีนะ <c oughs> งั้นย่งผมพนไปไหมครับหรื อ, อยังไม่จําเป็นยังไม่จําเป็นขอบพระคุณครับแต่ถ้าใจมันเฉื่อยอยู่บ้านแล้วเฉื่อยเนื่อยอย่างนั้นนะจําเป็นถ้าอยู่บ้านแล้วสติก็ยังเกิดว่องไวอะไรอย่างนี้ยังไม่จําเป็น ไปภาวนาไม่ใช่จะดีเสมอไปหรอกมันเสี่ยงเหมือนกันบางสำนักนะถูกเราสอบอารมณ์นะสอบแล้วก็จะบังคับเราให้น้อมซื่อบื้อไปอย่างเขาแหละเสียมนถ้าไปหาที่ภาวนาก็ต้องเป็นสำนักที่ครูบาอาจารย์รู้จริงๆหรือสำนักที่เขาปล่อยให้เราภาวนาเองไม่มายุ่งกับเราอย่างนั้นอะดีค่ะก็มันมี ใจตอนนี้นะคะมันแยกแยกเป็นสองอย่างที่ที่ดูนะคะก็คือมองมองดูจิตตัวเองว่าเหมือนว่าตอนเราพูดโกหกเนี่ยหนูจะรู้ว่าหนูพูดโกหกแล้วหนูก็จะหยุดหยุดไม่ไม่พูดต่อหรือไม่ก็ระงับไว้แต่เป็นเรื่องอื่นเช่นเรื่องโมโหเรื่องโกรธเรื่องอะไรมันยังยังห้ามไม่ได้ไม่ไม่ทราบว่ามันแตกต่างกันยังไงอะคะ่ะสออย่างก็เราเร า, เราโกหกเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีนะเราละอายแก่ใจเรากลัวบาป อย่างเงี้ยเราก็เลิกซะมันก็ยอมเลิกแต่ยังโมโหโธสโศเรายังไม่เห็นว่ามันจะเป็นโทษอะไรมากใช่ไหมคะมันถูกต้องไหมแบบนี้ยังไม่เห็นทุกไม่เห็นโทษถ้าเห็นทุกเห็นโทษมันไม่เอาหรอกแล้วเราจะเห็นทุกเห็นโทษมันเมื่อไหร่อ่ะคะโอ้เดี๋ยวธรรมะจะสอนให้เองนะไม่ต้องกลัวหรอกรู้สึกตัวบ่อยๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเห็นทุกจนกระทั่งไม่รู้จะหยั่งเท้าลงไปตรงไหน จีร่าให้มันคึกคักไว้รู้สึกไหมหเราไปปรุงมัวขึ้นมาเองหลวงพ่อคะช่วงนี้คือเวลามองดูดเนี่ยมันดูเหมือนบางทีมันดูไกลเหมือนกับตัวคนดูกับไอ้ตัวจิตที่มันไหลไปเนี่ยมันไกลาจากการค่อนข้างมากค่ะหลวงพ่อแล้วบางทีมันก็เหมือนกับ มันหนูไม่รู้สึกมันเหมือนเหมือนเห็นใจมันลิกลิกลิกไม่รู้มันเหมือนจะอยากเข้าไปดูใกล้ๆหรือว่ามันอะไรให้รู้ใจที่ลิกลิกลินั่นแหละ<อ>นั่นแหะใช้ได้ก็คืออยังยังนี้ถือว่ายังอยู่อย่างเป็นกลางอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณหมอไปเพิ่มการทําในรูปแบบขึ้นหน่อยสิทาบ้างเปล่าทำทุกวันคะ่ะหลวงพ่อแต่ว่าคือปกติเนี่ยคือแต่อย่าให้ซึมนะค่ะอยียบล่อยให้ใจซึมได้ คือตอนที่ไปที่พระจันตันเนี่ยค่ะหลวงพ่อมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หนูคือดูกายดูมันเหมือนเป็นก้อนทาตไปเรื่อยๆเนี่ยเสร็จแล้วมันใจหรือมันเข้าไปเหมือนกับไปสงบแล้วมันก็เหมือนเห็นเห็นลมหายใจก็เป็นเป็นก้อนอย่างหนึ่งแล้วอยู่ๆจิตที่มันรู้สึกว่าเป็นรู้สึกตัวเนี่ยอยู่ๆมันคล้ายๆเหมือนความเป็นเรามันซีดออกไปจนกระทั่งมันเหมือนเป็นตัวรู้อย่างหนึ่งแต่มันก็ไม่รู้ว่ามันรู้อะไรเหมือนกันอันนั้นคือเป็นสมถะ ไม่ใช่ใชหรอก<ช>มันค่อยๆแยกสิ่งที่แปลกปลอมออกไปมันเหลือแต่ธาตุรู้อย่างเดียวเพราะเหลือธาตุรู้อันเดียวนะแล้วก็อยู่กับอันนั้นแหละแล้วต่อไปพอมันถอยออกมาเราก็รู้เอาพอออกมาเนี่ยคือมันเหมือนกับมันมองอะไรมันเหมือนไอ้นี่ก็ไม่ไม่รู้อะไรเหมือนกั น, นแล้วก็เห็นมันก็ทํางานไปเต่ตอนนั้นแหละแต่พอพอกลับมาทํางานแล้วเนี่ยคือมันมันเหมือนคล้ายๆกับ เหมือนโดนโลค ก, กันหนา<ม>กันหนาแล้วจนกระทั่งมันไม่มีแรงอย่างนี้ก็ต้องควรจะกลับไปทําสมถะ ช, ช่วยเสริมใช่ไหมใช่ที่หลวงพ่อเพราะว่าเพิ่มรูปแบบเติมสมถะลงไปนิดนึง<ม>ใจตอนนี้ไม่มีแรงใจตอนนี้ไม่ตั้งมั่น<ม>ใจใจหมดแรงไปละทำภัยจานิดนึงค่ะคือช่วงหลังเนี่ยเปิ้นจะนัวเนียกับหมาเยอะอะค่ะอะไรนะเจอแบบเล่นหมาเยอะมากอะค่ะแล้วบางทีก็รู้สึกว่าแบบ เอ่อทอมนน่าอยู่อย่างนี้นมันจะทำให้เหมือนกับปลุกจิตให้เราว่าเออเหมือนเราอยากไปเกิดอย่างนั้นหรือเปล่าคะ่นะ <c ười> คือเปิ้นเล่นหมามากแล้วก็จะสนิทกับเขาเยอะอะค่ะเราก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับบางครั้งว่ารู้สึกแบบเอออยากอยากเป็นลูกมันนะอยากเป็นลูกมัน <c ười> อย่างนั้นนะคะ มันเหมือนเราจะปลูกจิตใต้สำลีเราหรอเปอย่าไปเไม่เอานะเป็นแม่มันก็แย่เหมือนกันเลยเป็นลูกมาดีอย่างนี้ต้องต้องพยายามดูแทงลงไปใช่ไหมคะดูเข้ามาในใจเรานี่ค่ะดูเขาก็ให้เป็นเห็นเป็นก้อนธาตุไปดูตัวเราก็ให้เห็นเป็นก้อนธาตุไปอย่าอยากเป็นเขานะหลายคนมันบ้านะมันบ้าแบบ ไปทาบุญแล้วอธิษฐานนะขอให้ได้เกิดเป็นหมาฝรั่งมีเยอะเลยนะแต่ต้องเป็นหมาฝรั่งด้วยหมาไทยไม่เอาหอกหมาฝรั่งมันดีงไงบอกมีคนอาบน้ำให้ใหมมีคนทาไปตัดผมด้วยสบายบอกโอ้ไม่เอานะาอย่าไปผูกพันกับมันนะเมตตา สงสารจิตมันผูกอะค่ะหลวงพ่อไม่รู้จะทำยังไงคิจารณามลงไปเลยมันก็เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอันหนึ่งตัวเราก็เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอันนึงอย่างนี้คือให้ประคองความรู้สัญญานี้ไปก่อนใช่ไหมคะว่าให้ให้ประคองว่าเขาเป็นก้อนธาตุไปก่อนแล้วค่อยค่อยแทงทีหลังใช่ไหมใช่เขาก็เป็นวัตถุนะเราก็เป็นวัตถุดูเขาดูเราเป็นก้อนธาตุเหมือนกันอย่าอยากลูกเป็นลูกเขานะ คิดดูนะถ้าต้องไปกินนมหมาจะรู้สึกยังไงอาต่อไปได้อีกสองสามคนเนาะจิตมันชอบไหลไปอยู่กับกิเลสเดิมๆอะคะ่ะก็น่าจะเป็นเพราะว่าเขาเคยชินเขาเคยชินจิตชอบไปตามความเคยชินนะแต่ตอนนี้จิตมันก็เริ่มเคยชินที่จะรู้สึกแล้ว เราก็สร้างความเคยชินใหม่อย่างนี้ใช่ไหมคะเคยชินทางบวกไม่เคยชินที่จะรู้สึกตัวเขาจะชอบเคยชินแบบว่าวิาวตกวิจัยวิจารณ์อะไรห้ามไม่ได้หรอกออพี่ชัยวันนี้มีทั้งโมหะโทสะโลภะครบเลยครับเออก็มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวมันก็มาใหม่เออดีแล้วนะ วันนี้ได้แค่นี้นะเดี๋ยวหลวงพ่อต้องไปข้างนอกสิบโมงต้องไปข้างนอกแล้วเชิญโยบกลับบ้านนะเชิญ